บรรยากาศภายในอุโบสถถูกความเงียบเข้าครอบงำอีกวาระหนึ่งเมื่อผู้ตัดความหลงในสงสารทั้งสี่องค์ ต่างพากันปรงธรรมสังเวทอากาศปลายเดือนมกราคมแม้จะหนาวเหน็บหากก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสนทนาของพระพูดตัดความหลงในสงสารสิ้นแล้วเพราะความหนาวความร้อนเป็นเรื่องของธรรมชาติภายนอกซึ่งมีอำนาจครอบงำจิตของปุถุชนให้เกิดสุขหรือทุกข์ได้ ส่วนผู้ข้ามพ้นอวนวังแห่งสงสารสาครความร้อนความหนาวมิอาจทำให้จิตของท่านสุขหรือทุกข์ได้เลยกระผมอยากทราบรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ท่านส่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรศึกไปปราบขมิขอรับสมภารวัดปา่ามะม่วงพูดขึ้น เพื่อทำลายความเงียบพระเทะเจ้าจึงเล่าว่าเราได้สั่งให้สองพี่น้องคือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและเจ้าพระยาสุรสีนำทัพไปปราบจลาจลในขเขมรและให้ลูกชายเราไปด้วยอยู่ทางนี้ก็นัดแนะกันว่าให้พระยาสันจับเรา โดยเราใช้อุบายทำเป็นคนวิกลจริตพอดีกับเวลานั้นพระสงฆ์ทั้งหลายประพฤติเสียหายกันมากมีเรื่องราวฟ้องร้องกันไม่เว้นแต่ละวันเราเรียกพระทั้งหลายเข้ามาและประกาศว่าเราเป็นพระโสดาบันและถามพระทั้งหลายว่าพระที่เป็นปุถุชนจะไว้ค า, ารืหัด ที่เป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ถ้ารูปไหนตอบว่าไม่ได้ก็ถูกลงโทษ ด, ด้วยการเคี่ยนเราก็สั่งทหารให้เคี่ยนต่อหน้าประชาชนการกระทาเช่นนี้ก็เพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าเราเป็นคนสัญญาวิปลาดผิดจากมนุษย์ธรรมดาสามัญไม่น่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกต่อไป พระเทระเจ้าสั่งให้เขียนพระแล้วไม่บาปหรือขอรับพระบุญเฮียวถามด้วยความสงสัยพระเทระเจ้าจึงขยายความว่าเราไม่ได้สั่งให้เขียนพระแต่ให้เขียนคนโกนหัวห่มผ้าเหลือ ง, มมงอ 12, าามอหมายความว่าอย่างไรขอรับพระเทระผู้บวชใกล้จะครบสิบสองพรรษาถามอีกหมายความว่า คนที่เราเคียดไม่ใช่พระคือเราให้หานักโทษประหารมาโกนหัวแล้วก็ให้นุ่งผ้าเหลืองมิได้มีการบวชแต่อย่างใดการถูกเคียนก็ยังดีกว่าถูกประหารชีวิตมิใช่หรือดีกว่าขอรับเพราะการประหารชีวิตต้องเข้าข่ายปานาติบาตพระโบรเฮียวกราบเรียน นั่นสิพระโสดาบันเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จะกระทำปานาติบาตได้อย่างไรกันก็อย่างที่บอกแล้วว่าที่เราต้องทำเช่นนั้นก็เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของชาติบ้านเมืองพระเทระเจ้ากล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวแล้วจึงเล่าต่ออีกว่าเราก็ดำเนินตามแผนการ ที่วางไว้ทุกอย่างต่อมาทางอายุทยาเกิดมีเรื่องขึ้นแต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่เราสั่งให้ภริยาสันยกกองทัพไปปราบเสร็จแล้วให้ยกกลับมายัางกรุงทนบุรีและล้อมและล้อมพระราชฐานไว้จับเราบวชเสียซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนกรณั้นก็ปรากฏว่า มีนายทหารที่จงรักภักดีและมีฝีมือจะทำการต่อสู้เราจึงต้องประกาศแก่ทหารเหล่านั้นมีให้สู้เพราะบุญวาสนาของเราหมดแล้วบ้านเมืองควรจะเป็นของสองพี่น้องเขาพระยาสันบังคับให้เราบวชแล้วกัก บ, บริเวณไว้ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าวัดแจ้งซึ่งอยู่ในเขตพระราชาฐานแต่ต่อมาพระยาสันเกิดกำเริบเสบสารอยากเป็นใหญ่เพราะหลงไหลในยศและอำนาจคงจะเหมือนนักการเมืองสมัยนี้กระมังพระเทระเจ้าเปรียบเทียบสมภารวัดป่ามะม่วงจึงแสดงความเห็นบ้างว่า กระผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์สมัยที่จอมพลแปลกเป็นนายกรัฐมนตรีมีคนเขียนบทความมาลงกระผมยังจำมาจนทุกวันนี้เขาเขียนไว้ว่าตำแหน่งการเมืองนี่มีสภาพเหมือนอยาเสพติดใครได้แล้วกดหอนตัวไม่ขึ้นและจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมตัวลืมตน คิดว่าตนเป็นผู้วิเศษที่วิเศษเลอเลิศกว่าคนอื่นประเทศชาติจะเป็นอย่างไรก็ช่างขอให้ตัวเองได้มีอำนาจได้เป็นคนบริหารประเทศตามใจของตัวเองเท่านั้นกระผมก็มีทราบว่าคนเขียนเขาตั้งใจจะวาดจอมพลแปลกหรือเปล่าแต่กระผมก็มีความเห็นว่านัก กาเมืองจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดทั้ทงนี้ทั้งนั้นเพราะพวกเขายังตัดความหลงในสงสารไม่ได้ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครอีกนานพระเทะเจ้าบอกเหตุผลกระผมอยากฟังพระเทะเจ้าเล่าต่อขอรับ พระโบฮีเวพูดขึ้นขณะที่หลวงพ่อในป่านั่งขัดสมาธิหลับตาฟังไปเรื่อยๆตกลงเราจะเล่าต่อสรุปว่าพระยาสันเกิดลืมตัวเพราะอยากเป็นใหญ่หรือจะเรียกว่าหลงไหลในตำแหน่งทางการเมืองก็ได้เมื่อจับประบวดแล้วพระยาสันก็นำเงินที่เราเก็บไว้ เพื่อจะให้สหายของเรามีไว้ใช้ในเวลาที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินไปแจกจ่ายซื้อความเป็นพวกคือเอาเงินซื้อพวกซื้อเพื่อนเป็นการสนับสนุนบัลลังก์ของตนเหมือนที่ผู้แทนสมัยนี้ซื้อเสียงกันพระเทระเจ้าเปรียบเทียบอีกจากนั้นพระยาสันก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์ทางกรุงธนบุรี ก็ส่งข่าวไปยังสหายของเราสมเด็จเจ้าพระยามาหากัตรศึกจึงได้นำทัพกลับมาถึงวัดสะเกดก็มาพักทัพอยู่ตรงนั้นพวกทหารในกองและข้าราชบริพารก็อัญเชิญให้เถลิงราชสมบัติวัดสะเกดเดิมชื่อวัดสะแกเมื่อสหายเรามาสะผมที่นี่และแต่งกายให้ดีเพื่อเตรียมตัวเป็นพระเจ้าแผ่นดิน วัดนี้จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดสแกมาเป็นวัดสเกตเมื่อสหายเราเข้ามากรุงธนบุรีในฐานะพระเจ้าแผ่นดินก็สั่งให้ประหารชีวิตภรยาสรรที่ทําการเกินพอดีแล้วก็สั่งให้ประหารชีวิตเราซึ่งขณะนั้นบวชเป็นพระภิกษุแล้วประชาชนในสมัยนั้นจึงเชื่ออย่างแน่นแฟนว่า รัชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จั ก, กรีทรงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตเราโดยการทุบด้วยท่อนจันทร์สหายคนหนึ่งซึ่งหน้าตาเหมือนเรารับอาสาตายแทนดังที่ได้เล่าแล้วคนที่รู้ความจริงในเรื่องนี้จึงมีเพียงสองคนคือสหายของเราและน้องชายของเขาเพราะได้วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว หลังจากประหารชีวิตเราเสร็จแล้วในเวลากลางคืนสหายของเราก็ส่งเราไปนครศรีธรรมราชโดยออกไปทางราชบุรีไปพักอยู่ที่ปากท่อก่อนจากนั้นจึงไปนครศรีธรรมราชสหายของเราและน้องชายของเขาได้บำรุงเลี้ยงเราอย่างดีนี่คือความจริง ซึ่งไม่ตรงกับที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าบุคคลที่รู้ความจริงในเรื่องนี้มีเพียงสองคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกกับเจ้าพระยาสุรสีสหายของเรากับน้องชายของเขามิได้เป็นสามัญชนอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแท้จริงเขาเป็นผู้สืบเชื้อสาย มาจากพระเจ้าแผ่นดินแห่งสุขโขทยัยเหมือนที่เราเป็นกษัตริย์เพราะเป็นโอรสของพระเจ้าบรมโกศหากไม่มีเชื้อสายของกษัตริย์ก็คงจะเป็นกษัตริย์ไม่ได้เพราะคนที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นจะต้องมีบุญว่าสนามาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะก้าวจากสามัญชนมาเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นไปไม่ได้ แต่เคยเป็นกษัตริย์แล้วกลับเป็นสามัญชนได้ใช่ไหมขอรับอย่างเช่นลุงพ่อของกระผมเป็นตน้นพระบุเฮียวอดเสียไม่ได้ที่จะเย้าพระอุปชาลุงพ่อของท่านเป็นสามัญชนก็จริงแต่ท่านก็เป็นอริยะวงศ์ซึ่งถือเป็นเชื้อสายวงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนเราท่าน และหลวงพ่อในป่าการจะเป็นเชื้อสายของอริยะวงได้จะต้องบำเพ็ญบารมีกันหลายภพหลายชาติยากยิ่งกว่าการเป็นราชามหากษัตริย์เสอีกพระเทระเจ้ากล่าวเสียงเรียบท่านพระครูจึงเรียนถามว่าพระเดชพระคุณขอรับหากกระผม จะกลับเรียนถามเกี่ยวกับพระโอรสที่มีพระนามว่าเจ้าฟ้าเหม็นจะได้หรือไม่ขอรับท่านคงอยากทราบข้อเท็จจริงเรื่องเจ้าฟ้าเหม็นเป็นกะบฏในสมัยรัชกาลที่สองใช่ไหมขอรับแต่ถ้าพระเดชพระคุณไม่ประสงค์จะตอบก็ไม่เป็นไรขอรับพูดอย่างเกรงใจ อยากรู้อะไรก็ถามได้เราไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังอีกต่อไปและจึงเล่าเรื่องเจ้าฟ้าเหม็นว่าเจ้าฟ้าเหม็นเป็นโอรสของเราที่เกิดจากที่ดาของสหายเรากล่าวคือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนอกจากจะเป็นสหายของเราแล้ว ยังเป็นพ่อตาของเราอีกด้วยท่านย่อมทราบดีว่าคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นมักจะมีนางสนมกำนันมากมายแล้วก็มีโอรสที่ดาเต็มบ้านเต็มเมืองเจ้าฟ้าเหม็นจึงมีสักเป็นหลานของราชการที่สองต่อมาได้คบคิดกับน้องสาวเพื่อก่อกระบทแต่ถูกราชการที่สองทรงจับได้สก่อน จึงมีรับสั่งให้ประหารชีวิตทั้งพี่ทั้งน้องนอกจากนี้ยังมีพวกทหารคนสนิทและข้าราชบริพารที่ร่วมคิดกบฏในครั้งนี้ด้วยทุกคนถูกประหารชีวิตหมดใช้เวลาประหารถึงสี่วันกว่าจะแล้วเสร็จเรื่องก็มีเท่านี้กระพมยังอยากฟังเรื่องที่พระเทเจ้ากู้ชาติอยากรู้รายละเอียดว่า ทำอย่างไรและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับน้องชายของท่านได้ช่วยกู้ชาติด้วยหรือไม่พระโบเฮียวกราบเรียนบ้างกระผมก็อยากฟังเรื่องที่ท่านทำนุบำรุงพระศาสนาหลังจากกู้ชาติสำเร็จแล้วอาจารย์เห็นพ้องกับสิทธิ์พระเทระเจ้ า, จ, าจึงพูดรับรองว่า ตกลงเราจะเล่าตามที่ท่านทั้งสองอยากฟังแล้วจึงเล่าว่าเมื่อกลุงแตกเราได้รวบรวมสมัครพรรคพวกตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปและวางแผนที่จะไปตีจันทบรุรีเป็นลำดับแรกเราได้พามารดาและน้องสาวไปฝากไว้ที่ราชบุรีก่อนจากนั้นจึงมุ่งหน้าไปตีจันทบุรี ท่านมีน้องสาวด้วยหรือขอรับท่านพระครูถามขึ้นมีคือมารดาของเราซึ่งคนทูบไปเรียกว่าแม่นกเอี้ยงตามชื่อที่มารดาเราเรียกตัวเองทั้งที่ความจริงท่านชื่อไห้หองท่านไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าเราเป็นโอรสของพระเจ้ายู่หูบรมโกดจึงสร้างเรื่องขึ้นมาว่าท่านชื่อนางนกเอี้ยง มีสามีเป็นคนจีนชื่อไหาหองเมื่อคลอดเราแล้วท่านก็ได้สามีใหม่เป็นคนจีนและมีลูกสาวคือน้องสาวของเราสมัยนั้นผู้หญิงต้องพึ่งสามีคือต้องมีสามีหาเลี้ยงมิฉะนั้นจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความยากลําบากโดยเฉพาะคนที่เคยอยู่ในรู้ในหวังเช่นมารดาเราเมื่อออกมาใช้ชีวิตแบบสามัญชน ก็ทำไร่ไถนาไม่เป็นต้องพึ่งสามีไม่เหมือนผู้หญิงสมัยนี้ที่พึ่งตัวเองได้พระเทระเจ้าเล่าเรื่องของโยมารดาแล้วสหายของท่านกับน้องชายคือเจ้าพระยาสุรสีไปช่วยตีจันทบุรีด้วยหรือเปล่าขอรับท่านพระครูถามอีกยังไม่ได้ไป เพราะตอนนั้นบ้านเมืองกำลังระสํมระสายยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครก่อนตีจันทบุรีเราได้ไปตั้งทัพอยู่ที่ระยองได้แอบซ่องสมผู้คนและอาวุธที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดถ้ำวัฒนมงคลกิ่งอำเภอเขาเฉาเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดจันทบุรียังมีอาวุธยุทโธ ป, ปกรณ์หลงเหลืออยู่ในถ้ำนี้ ขึ้นสนิมหมดแล้วเพราะเวลาล่วงเลยมาถึง218ปีเมื่อเราตีจันทบุรีได้และตั้งทัพอยู่ที่นั่นสหายของเรากับน้องชายของเขาก็มาสมทบที่เราประทับใจและรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณสองพี่น้องมากก็คือเขาไม่ได้มากันลำพังสองคนแต่ได้ไปรับมารดาและน้องสาวของเรา ที่ราชบุรีมาด้วยจากนั้นเราก็วางแผนร่วมกันที่จะไปปราบก๊กเจ้าพระฝางซึ่งเวลานั้นไปอยู่ที่พิษณุโลกเพราะไปตีได้เมืองพิษณุโลกไว้เมื่อเรายกกองทัพไปตีพิษณุโลกได้เจ้าพระฝางหนีไปเรายกทัพกลับมาที่อยุธยาแล้วก็รู้สึกสังเวชใจที่เห็นสภาพของเมืองหลวง ถูกทำลายอย่างย่อยยับกระทั่งคืนวันหนึ่งเราฝันเห็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระพนรัตพระอาจารย์ของท่านอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่เป็นอันว่าเมื่อเราย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ธนบุรีและสถาปนาตัวเราเป็นพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วจึงเริ่มแก้ปัญหาต่างๆซึ่งนอกจาก จะเป็นปัญหาด้านการศึกสงครามแล้วยังมีปัญหาเรื่องปากท้องของราษฎรกล่าวคือในช่วงที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เรียกกันว่าข้าวยากหมากแพงราษฎรไม่มีข้าวและเกลือจะบริโภคเพราะทำนาไม่ได้ถึงสองปีเราต้องซื้อข้าวเหนียวและเกลือ ในราคาแพงมาแจกจ่ายราษฎรด้วยความสงสารและเห็นใจในทุกขร้อนของพวกเขาท่านลองนึกดูขณะนั้นเราคือพ่อของชาติลูกๆ ก, กำลังอดอยากปากหมองแล้วพ่อจะเป็นสุขได้อย่างไรพระเทระเจ้านึกย้อนไปถึงครั้งที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งทนบุรี กระผมเข้าใจขอรับกระผมเองก็เคยประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกันนี้สมัยที่วัดของกระผมยังไม่มีอะไรคือกระผมหมายถึงว่าสมัยที่กระผมมาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ใหม่ๆวัดยากจนมากพระเนนบินทบาตไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเวลาญาติโยมเขานิมตน กระผมไปเจริญพระพุทธมนตในงานมงคลต่างๆเขาถวายพัตตาหารอย่างดีมีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่กระผมตับฉันไม่ลงเมื่อนึกถึงลูกวัดว่ากำลังอดอยากปากหมองครั้นจะขอญาติโยมเขาให้ใส่ปินโตมาถวายลูกวัดก็ไม่กล้าท่านพูดยิ้มยิ้มพระบเหียลจึงถือโอกาสพูดบ้างว่า แต่ตอนที่ผมมาบวชอยู่วัดป่ามะม่วงวัดอุดมสมบูรณ์แล้วขอรับสงสัยผมจะนำความอุดมสมบูรณ์มาด้วยท่านพูดยิ้มยิ้มเช่นกันท่านพระครูจึงกราบเรียนถึงสาเหตุที่ทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองว่ามีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านแนะนำว่าหากต้องการให้วัดอุดมด้วยวัตถุธรรมและาศาสนธรรม ก็ให้สวดพระธรรมจักรประวัตนณะสูตรให้ได้พันจบกระผมก็เริ่มสวดมาตั้งแต่ปี2509มาครบพันจบเอาเมื่อสองปีที่แล้วใช้เวลาสวดอยู่ถึง17ปีนอกจากนี้กระผมยังสอนกรรมฐานให้ญาติโยงเขาด้วยวัดก็เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับ ปีหน้าจะยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเมื่อท่านได้พบกับสมเด็จพระพนรัตวัดป่าแก้วซึ่งเราได้พบท่านมาแล้วพระเทราเจ้าผู้ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวของกรุงธนบรุรีทำนายพบที่ไหนขอรับพบในฝันเหมือนที่เราพบพระเทราเจ้าตอบและทำนายต่ออีกว่า ท่านจะพบบทสวดพาหุงมหากาและนำมาเผยแผ่ให้ญาติโยมเขาสวดกันบทสวดนี้จะเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะเมื่อญาติโยมสวดพวกเขาก็จะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ชื่อของท่านก็จะดังไปทั่วโลกดังจนกระทั่งมีพระธรรมทูตรูปหนึ่งซึ่งมีจิตริสยาเห็นความดังของท่าน เขากดทนไม่ได้เลยเขียนวิจารณ์ท่านด้วยถ้อยคำหยาบคายผ่านทั้งเส้นลวดไร้สายที่เรียกกันว่าเว็บไซต์ถึงเวลานั้นท่านจะทำอย่างไรพระเทระเจ้าทดสอบคุณสมบัติทางใจของสมภารวัดป่ามะม่วงกระผมจะทำได้ก็คือเกิดธรรมสังเวท สังเวทว่าผู้ทาหน้าที่เป็นธรรมทูตแต่ขาดคุณสมบัติของธรรมทูต ท, ที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักเกณฑ์ไว้ในโอวาทปาติมโมกข้อ8กับข้อ9คืออนุปวาโทอนุปคาโตการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่ง คนที่จะสำเร็จมรรคผลจะต้องไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายใครหากพระรูปนั้นท่านทำก็เท่ากับท่านขาดคุณสมบัติของพระธรรมธูตด้วยหมดโอกาสที่จะสำเร็จมรรคผลด้วยผมว่าท่านน่าสงสารมากนะขอรับนั่นสิเราถึงได้เป็นห่วงพระาศาสนาเราตั้งความปรารถนาไว้ อยากให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่ประเทศสยามตลอดไปเหมือนดังปณิธานของเราที่จะรึกไว้ในสารวัดอรุณราชวรารามความตอนท้ายว่าคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา พระาศาสดาฝากไว้ให้คู่กันเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านสอนญาติโยมโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นชาวทนบรุรีขอให้ท่านบอกพวกเขาว่าถ้ารักเราก็ขอให้ตั้งใจสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานแล้วจะรักษาชาติรักษาพระาศาสนาไว้ได้ช่วยบอกพวกเขาว่า พระศาสนาจะอยู่ได้ก็ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นล่ำพังประยัติอย่างเดียวไม่อาจรักษาพระศาสนาไว้ได้ในอนาคตจะมีการบิดเบือนพระธรรมคำสอนเกิดสัทธธรรมปฏิรูปเขาจะสอนศาสนาตามใจที่เขาต้องการให้เป็นอะไรที่เขาปฏิบัติไม่ได้เขาก็จะตัดทิ้งไป ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่เอาพระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ในใจก็จะไม่รู้คําสอนที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องนี้สําคัญมากการที่เรามาพบท่านก็เพื่อจะมาบอกเรื่องนี้บอกต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ซึ่งเป็นพุทธานุสติต่อหน้าอาจารย์ของพวกเราคือหลวงพ่อในป่า ท่านจะต้องรับภาระอันสำคัญยิ่งนี้ไปจนกว่าจะล่วงลับดับขันกระผมยินดีขอรับและจะปฏิบัติหน้าที่นี้จนสุดความสามารถชีวิตของกระผมขออุทิศให้กับพระศาสนาจะทำหน้าที่ของสากยบุตรพุทธโอรสไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ สมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงหนักแน่นนอกจากพระธรรมคำสอนจะถูกบิดเบือนเหมือนที่พระยาตากพูดแล้วศาสนิกอื่นที่คิดร้ายต่อพระพุทธศาสนาจะพากันทำลายพุทธสถานจะมีการระเบิดภูเขาที่สลักองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อจะทำลายให้สิ้นซาก จะไม่ให้เหลือสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาดังนั้นหากชาวพุทธไม่เอาพระพุทธศาสนามาไว้ในใจด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปในที่สุดลงพ่อในป่าพูดทั้งที่ยังหลับตา